ความสุขความทุกข์ก็มีความผิดความถูกก็มีในกายในใจนี่จะให้มันปรีได้ต้ามันสุขเห็นต่อควทุกข์เห็นมันพอ ด, ดูสติต่างหากความสุขตางหากความทุกข์ต่างหากก็เล่นกันอยู่ด้วยวิมังสาบขบเคี้วยวเอาอะไร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 บังที่มันคายออกมาทั้งหมดบางทีมันก็รู้เอาออกอย่างแล้วก็คืนลงไปสวนที่มันคืนด้ไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นผิดเอสัมผัสความผิดถูกมันเป็นถูกทุกมันเป็นทุกสัมผัสเรเขี้ยวแล้วเขี้ยวแล้วถอนออกแล้วาตาปีสังชาโน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 ไม่เสื่อมคลายข อ, อใจรักกันทาหน้าที่อย่างดีต่อกันวิริยะเพียรประกอบต่อกันในทรรมกฎบีอย่าทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งอย่านี้ไปทางอื่นวิริยะวิริยะเพียรประกอบทำหน้าที่ของตนจิตใจเอาใจใส่อยู่เสมอทำดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อครอบครัววิบังสาตีตอง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 นั่งฟังเป็นโมกสี่สิบสิบห้าสิบนาทีอาจจะไม่มีปรโยชน์เลยแต่บางลูกตั้งใจฟังเราทำงวาเพียงไหนกายนุปัฏฐาเห็นกายบางคนออกกายไม่เป็นตัวเป็นตนปอยบางคนเห็นกายสักว่ากายไม่ใิ่สัตวบุคคลโตตนโลเขาเหมือนกับมันขูดออกขูดออกขดออกดออเห็นเวทนา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 ผิดผีผีถูกผีผีสัมผัสควมหลงความรู้ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธมันตกงกันข้ามมันก็กระทบกระทืนไปถึงนอ่นหลวงตาก็พูดในวันนั้นนะว่าจนถึงนู่นอ่ะจนถึงสมมติบัญญัติวาตถุอาการการสัมผัสมันลืออนนล้อถอนว่าื้อถอนจริงๆนะปฏิบัติธรรมนนะ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 เลือออกลื อ, อกออกลือกออกเห็นอนันพูดถึงอะไรพอจำได้ไหมสมมติบัญญัติวัตถุอาการต่างๆวัตุคือตาคือหูจมูกลิ้นกายใจรูปโลจินเสียงอารมณ์เมื่อตาเห็นโูปมีอาการเกิดขึ้นมีความพอใจและความไม่พอใจ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 อันนี้เป็นเสียงคลางคล้องไม่ใช่คล้องเพราะเอกไปตีมันก็เลยดังแต่อย่าไปชอบเสียงมันอย่าไปไม่ชอบกับเสียงงานที่มันสุขมันทุกข์า็มีเหตุปจัจจัยเราต้องดูที่เหตุมันไม่ใช่ไปตำหนิเสียงคล้องอนที่เด้ยนเสียงคล้ อ, อ ง, องคนที่มนตื่นสายก็ไม่พอใจใช่ไหมอ้าว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 เห็นสมมุติในอาการเช่นนั้นว่าดีว่าไม่ดีบัญญัติเอาว่าชอบว่าไม่ชอบอุปทานยึดเอาว่าตัวว่าตนพอเห็นสมมุติบัญญัติมันพังทลายนะเหยียบย่ำถึงกับทําลายความรักความกดความหลงไปเลยทําลายจักรยานทิฏฐิวิจิจฉาสีลุปตาปรมาทัหลงตาอยากจะบอกว่านี่แหละปัทโทธรรมเปิดออกได้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 ใจจันงทันนันบอกไม่ใช่ไปทำหลังคาก่อนมะใช่ต้องเวลาเลือกกเหมือนกันอานุลมปติลมในปฏิจจสมุปาทิได้ว่าอานุลมปติลมอันหนึ่งไปอันหนึ่งเลือกอวิชามันไปอวิชาสังขารเวนยานามรูกไปจะได้ัสสาะพิจนาตัญะาอุปทานภพชาติชลามรณะมันเกิดมาจากโน่นอนชลามรณะเนี่ย อวิชาวิชาเปิดสังขารดับน้ําดับโรคดับดับไปเลือบ้านน้องฮุดเลยนะใจเจะว่าเราความโรคความโรกรธความ ร, รา้อนหนาวจืดจางไปเลยนะสักกยะทิฏฐิวิจิจิฉาสีลัปตาปรอาบบาทเลยอ้ามันจะยากอะไรนะมันลื่อไปจากในล้วบาอยัะเ น, นี่ยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตรงนี้ได้เหมือนกัน แล้วะวังนะตรงนี้มันจะเป็นจินตยานเป็นวิปัจจโนมันตกแหล่งความรู้ตกแหล่งความรู้นะมันมีแหล่งความรู้เหมือกันนะมีแหล่งความหลงมีแหล่งความรู้มีแหล่งความหลงแหล่งความรู้ทำให้หลงหนาอานนั่นก็รู้นี่ก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้นั่งรู้เดินรู้ เลยไม่ได้ทำความเพียร เ, เดินจงกรมม่ตแต่เทศศสนาสังสอนนั่นนั่นก็โอ้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยมีใครมาบอกนอาจะพูดอย่างนี้ไจะพูดเป็นวิปัสโนไปเลยนะเสียเวลาเป็นสุขก็เป็นสุขมีปัญญาก็มีปัญญาแต่ไม่ปัญญาแบบไม่ใช่แบบทำลายิเลสมีปัญญาแบบรู้รบทั้งหมดเลยไม่ใช่อันนันไม่ใช่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 ความทุกข์ที่เกิดจากกายความทุกข์ที่เกิดจากใจจะไม่ต้องมีต่อไปในะจะมีจีตภพกิตชาติไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยเหมือนกับปิติอิ่ม อ, อกอิม่มใจเหมือ น, นกับเรานนะั้ทําอะไรได้สําเร็จต่างก็มีควงภูมิใจก็ทยกก็ผู้ใหญ่สวนอ้อมร้อยปลูกอ้อยสองร้อ ย, ส, ออยสามรอยไร่สําเร็จเลย ทำนาสำเร็จลยแล้วก็ร้องเพลงแต่คนาไดา้แมนบ่พอที่ยกไปให้ร้องเพลงบ่ฝนกรลร้องเพลงอ่ะร้องเพลงแต่คนาสสกบร้องช้าตะวันเย็นเจ็นแมนบ่อนตกเขียดร้องโตนาข้าวเขียวงาไมมีความสุขเหมือนกันนะ อ้อนตาเป็นชาวนาร้อยเปเซนในความสำเร็จในการทำนามากอ่าว่าไม่มีใครสู้ได้หรือปล่ปะไการทำนาการทำนานนึ่ไม่กลัวเคยเป็นหน่งตีข้าวนวดข้าวคืนเดียวเสร็จนาสองที่ฮะตีข้าวตลอดรุ่งเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธว่เนไปนะ พุทโทพุดธโทนเนี่ยอันไว้ไปทิ้งไว้ทิ้งไปเพินไปเปินไ ป, ป, ไ, ปไม่นอนเลยเออขึ้นมากวดกุ้งเข้าอยู่กู้เท่าในบ้านสาแต้ไปหาแม้นพูดด้ดตีเขาเนี่ยเมืนบิดขึ้นเหมือสอดแจงน่ะไปพูดจังด๋นผมหลับพ ย, ยัยวะแม่นแม้นมันพูดจังด๋อยละก็ผมนี่แหละวะผมจิเฝ้าไปตีเขา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 มันเป็นความยึดเฉยๆแต่งขัดหน้าไม่ใช่ตัวเฉยตนเราไปยึดด้วยว่าหน้าคือรูปคือเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนอุปทานอุปทานยึดไว้อย่างที่เรามาสวดพอสูตรธรรมะว่าโดยยอุปทานขัดหน้าเป็นตัวทุกข์สวดให้ฟังสักหน่อยได้ไหม ว่าโดยย่อ อ, อบไวยธานขันทั้งาเป็นตัวทุกข์เสรก็เหยียทีทางได้เจ้จชิงเหล่านี้คือรูปังอนิจังรูปไม่เที่ยงว่าไปดูสิอันเบิไม่เที่ยงไอ้นาไม่เที่ยงสัญญย่าไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงตมลงไปอีกรูปไม่ใช่ตัวตน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 อโลอลองห้พระอุปทานพระอุปทานลื้อถอนอุปทานในขันออกแล้วก็เป็นกองขันห้านี่ขันหลังให้กันขันคนห้าคนพอไปพอไปแล้ว้ยก็หยุดทมเป็นแต่ธรรมชาติของขันขอบคุณขันที่มัน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 ต้องไปทางนั่นหรื อ, อไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายมีอยู่มองตรงกันข้ามนเน่เหมือนพระจิตรธรระเห็นการเกิดเจ็บเจ็บตายศึกษาเรณ่นี้จนได้สำเร็จมาบอกมาสอนพวกเราทุกวนันนี้เกิดปริัททั้งสี่ในวัดวาลามลองว่าจากให้วัดเป็นยังไง อยากได้พระเป็นจากาักรย์อยากให้วัดเป็นยังไงอยากให้วัดเป็นวิกเหรือถ้า อ, อยากให้วัดเป็นผมพากันมาตัดตอนไม้ที่งหมดสร้างวิกเอาหนังเอาหม้อล้อมมาล้อมเจ็บเงินผ่านประตูเอาบ่อพ่อเปรมสะดวกสนานดี อ, อาจารย์เคยไปอยู่บ้านผ้าไผ่หวานปีแรกร้อยสิบเก้า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 ในคนคนหนึง่งก็ยิ้มเตะไปยิ้มเตะก็ยิ้มเนา ะ, ะทอดกรถินใหม่ๆอ่ะเมาล่อมาพยาาาาาืนอยู่หน้าวัดขี้มาใส่หลงตาหลงตากวดว่าสาราอยู่ น, น, นี่เมาล่าอก็กรถินทอดไปใหม่เอเรียกเขมาว่านี้มาเนี่ยมานี่ยเรียกเขามาหลงตาเคยบอกไม่ใช่หรือสัญญากันแล้วถ้าเห็นเมาล่อมาจะต้องถ่มโทษ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 อยากให้วัดเป็นไงสำหรับหลวงตาอยากให้วัดเป็นอย่างนี้อยากให้พระเป็นอย่างนี้อยากทำวัดเจ้าทวันเจนนทาว่ดเจ้าทำวัเย็นแล้วจะได้มีคนมานั่งอย่างนี้จะได้สอนอย่างนี้จึงจะคุ้มกับข้าวถูกน้ำแจงของชาวบ้านมันผิดหรือมันถูกอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มา